มันเหมือนกับตะลุมบอลตลอดเวลาเลยพรรษาเจ็ดออกแบบออกอภิบาลพรรษาเจ็ดดวนั่งพรรษาชั้หกเต็มเต็มเลยหรอกไม่มองไม่มองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรอะไรได้พอจต็มูเต็มตาแต่ก่อนไม่มองเลยก็ป็นเป็นตะลุมบอลนองแบบยมุนวุ่นวาย มันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นถาอยู่บ้านไหนเนาะมาเกี่ยวข้องกับเรามากแล้วกลีกนี่ไม่นานนะอยู่แล้วเขาก้าววันสวันพอไม่เสียใจแล้วก็นหนีไปเลยถ้าบ้านไหนก็มาเกี่ยวข้องดูสบายสบายทิกทุบาทพอได้ฉันวันลนะมันแม้จะข้างเปล่าๆมันก็ไม่ตายคนเรามาได้กินหรอแล้วถ้าลองมื่อวันนู้นทำแล้วมึ่อวันนีินสานที่จะนั่นอยู่นาน เดินเดิอนอยู่คีเดิอนอยู่สามเดือนคีเดิอนอยู่คนนี้มาควรการเทศนาว่าการไม่มีกันฆ่าอะไรเขามาดูเราเขาอยั่ตามราคาเรสนุกบำเพ็ญเมืม่อความเปลียนสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดืนเดินด น, นั่งนอนเล่นตะลักนั้นตลอดไปอย่างนี้ทําไมใจจะไม่ขล้ามันกล้าไหม หลงเต๋อเอาเขาททนไหนก็มากราบเารียนถามครูอาจารย์แล้วออกไปแม่บ้านเด็กก็มีความนับถืมากเขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการ ม, มันพลาดอะไรขออย่าให้เช่เลยบอกแล้วก็อยู่เพา ส, สบายต า, าบ้านเขานับถือมกเต็นบานเลว่ากลัวกบว่าอะไรๆเต็มเขาก็ตามมาเป็นคนของคนเท่านั้น เพื่อให้ออกเสพอาหารกลับไปตอนนั้นไม่เกี่ยวแต่นั้นเราควอยู่ด้วยนานกับสถานที่ใหม่ๆดด ก, กินอะไรก็เพิด้ปรคกางเรื่องอางนั้นเ็าอยู่นานจากคนมารวมรมไปเรื่อยๆอย่ายนหาเลยต้องเคาะต้อเที่ยวเลยไม่เอาทำเพราจิตใจเราไม่ว่างจากงาน มันมีคุมจนออกร้อนป่าเท้าหักมาถึงป่าเท้าแตกมันขั้นบระกัรถ้าโศน่าเลยที่ความเพี ย, ยรแก่กล้าเป็นป่าเท้าแตกุันโศน่านั่นหละพูดที่จะตักตวงว่าผลผ่านท่านดาเนินอย่างนั้น คุณจับเัลืองเอเงินเอาทอง ม, มาสังสมพิเศษให้เต็มพอใจกเธอสะเอียงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะตัวเองหาเรื่องให้เกิดในว่ามีงานนั่นมีงานนี้อสร้างนัสร้างนู่ น, นั่นหาเรื่องความของบุญก็ตรงนี้ในนี้นเป็นค่าสิทธต่อการรังผึ่งแ่้จะเป็นมากก็ตามมันเป็นมากค่าสิทธิสำหรับผู้ปฏิบัติตัวเอง ได้ดัมเป็นมักแท้เป็นทางเดินของเขาแต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงแล้วเป็นมักหยาบนั่นเองมาทำลายมากเลยเนี่ ย, มนน ย, มยมไม่เลยไม่เรียวว่ามากได้ไปแล้วการคิดมาฟังฟังให้ถึงใจมีสอนมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่ออยไรทใหนกสิจาราใถึงใจ นีเราทาอะไรลเําทำมีผนทุกอย่างกานสอนธรรมะจะมีผลคิดแล้วถึงสอนแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยมันขุดค้นลงไปเรื่อยเร่อยจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเหมือปัญญาเนื้อสติเมื้อความเปลี่ยนเป็นไม่ได้แต่นั่งแบบหัวตอมไม่เรื่องอโดยมีคนมัน ง่วงจะหลับล่งโอนนังานาคือง่วงจะหลับพลงเดินนี่พีดาเรื่อยข้ามปการยังหนึ่งบางองค์ง่วงง่วงลงเดินอยเดินอยู่คนงวงงวเดินลงน้ำลงน้ามันยังจะง่วงวิลงไปเรื่อยๆเป็นสรางเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโคกท่ศะนี่ทั้งททั้ง มัน ส, สุดประวัตินั่างมีพอรามีอะไรอย่างนั้นความเพียนี่หน่อยว่าจ ะ, จะตายว่าเดี๋ยวทำความเพียรความจริกสติมันไม่อยู่ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าเราจีดแ้ จ, จดจกกต่อกันเติมความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มัน รอบตัวนเนื่องจากตาของจมงกลิ้บกายมันรอบตัวสีส้ำผัสน้ำพัน์ก็มารอบตัวสติตั้งอยู่แล้วปัญญาพอยจะชี้เวนาเอาเหตุเอาผลเขาจึงมันนี่ทำไมจะไม่ได้นี่แหละท่างหมดปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสีน้ำผัดมันมีตลอดเวลาทําไมใชะสติปัญญาเรื่อหมอบจิตใช้เป็นสมาธิก็ไมเาเลวสีขาวจะใช้ปัญญาใช้ามาก ท้ามันเต็มที่เต็นฐานมีเวลาจะเาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดข้อหมดข้อแล้วเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นผ่าเหลืองมันผิดเขาจะไปตําหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้อาฮุ้ปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องลอยของพระของสมณะของนักบวช มันเป็นแบบโลกโลกทัางนั้นที่มันมันเป็นแบบโลกแล้วมันมันก็เลยยิ่งกว่าโลกกว่าโลกอยู่งคั้ก็โลกเขาว็ธรรมดายอยู่นะเราเปรที่สูงแต่ทาเหมือนโลกเข้าไปมันก็เลยกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาพเปลียนอยู่ด้วยกันของแม่แน่นอน มีการพับผ้าแจากอยู่ตลอดเวลานโลกนี้จัง <c oughs> เราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนิจจังผู้หลังนันตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่เกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันจึงไม่ควรนอนกัจเวลาอยู่กับครัวาจารย์แม้จะมีงานงานนี้นบ้างคอยร <c oughs> ะมัดระวังท่านครัว ท, ท่านดูท่านด่ามันก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอรื่ลำพังเรามันก็ไม่เรื่องผมเคยไป ตอนที่กิดยังไม่รักได้ฐานอะไรเล ย, เลยอยู่บ ว, วาจนแล้วก็อยู่เวลาเรวออกไปเจอเรื่องความข้าความเกินเื่องที่มันไม่กี่วันแเดี๋ยวจิต ม, น ม, นนมนนันก็ดำปีเหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วถ้ากระดงโล่มันถ่านเหมือนถ่านไปที่มีไฟเผาเจ้ า, จาของมนันเรื่องอะไรเล ย, เลยนี่มีาจะทส้งเก็นี่เป็นเป็นประมาณได้แต่เ ม, มืม่อเรออกจากจิวัต คนเดียวเราไปไม่รอบอย่างเป็นอย่างนี้ลูจุกของคือคั้งเจียบินเพียงไปชั่วคราวไม่รู้มีหมายธุรกิจมันยังไม่ได้หลับนั่นต้องอาศัยมีพิงกับครูครับอาจารย์จะถูรู้ดาว่าข่าวอย่างเหมือนมันก็ได้สติรตั้งได้นมัดระวังความนมัดระวังนั้นมันเป็นมากคือเป็นสติอยู่มำทางคนเดียว น, นอนใจไปลงกลารเปความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแทั้งที่เราตั้งใจว่าจะเปออกความเพียนอยกไม่ขึ้นเสียพอเมื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาตื่เนเนกิดจะสมาธิขึ้นมาแล้วเริ่มเฝชั่วยไปที่ไหนไมนเคยเป็นหลักของมันเองเป็นแียงว่าเราสอเสียหาความเพิ่มเติ ม, มละเอียดละอ่ ยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมันเลื่อยอะที่นี่หมุนเลื่อยเลื่อยเลือยในนี้นก็เป็นความเปลี่ยนจี่นี่ไปอยู่คนเดียวก็ความเพียนยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะสุดไม่ไปพูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิต ด, ดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรเื่องอะไรมันหมุนตี้ยวเตี่วมันฟาดมันเหวี่ยงมันมั น, มนโอ้โหมันจะเรื่องหนึ่ง ท, ที่ปัญญา เวลาไม่ไ้ออกแล้วไม่ได้มัวอยู่ตลเวลาคนเราควเมกิเลสเขาพับผมเห็นมันดิบตัวไม่ได้มาความกิเลสค่อยจางองจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทํางานให้เป็นเป็นเม็ดเป็นโมลไม่เหมือนจิตที่กําลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลย อากให้ดำเนินปัญญาโดยลําดับลาดับไปธรรมดาธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่นมด้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจําเป็นเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาแล้วทั้งที่มีมสมาธิแบบขุดกันลงด้วยปัญญาแล้วจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาอบรมมาธิเพราะเราเราเคยใช้เลย เช่นอย่างพุทโธเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันจะไปไหนอะไรที่มันก็ขุดกันเข้าไปแล้วการขรูมันไปนั้นสติจอยตลอดเวลามันมีเวลาคลาดตัด ก, กันกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความสัตว์ความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาวยสติปัญญาอยู่นี่เลยว่าปัญญาลงสมาธิจิตมีความสุกตัว ได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลําพังกับความสงบตัวของจิตด้วยอบายของปัญญานี้มีต่างกันอยู่มากคืออาจฐานที่สุดเข้าไปอยู่นู่นก็อาจฐานถอนองกมาแล้วก็อาจฐานผิดกันปัญญาลงสมาธินี่ผลแสดงถิดกันคืออาจฐานมันสงบตัวเฉย สงดูด้วยความอุอ่นอักดื่มไปเลยหลุดตามตับบกตัวไปานเอาให้กินให้จังคนข้างในไม่เพลียออกข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสบประสานกัน นึั่งกายเปรียบเขาเปรียบเรามีนาจิตต้องบไว้เฉยไม่ได้ทั้ฉลาดแลเฉก็ไม่ได้งบก็ต้องทําุบายเพื่อความสน ฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญามาคิดคนใหนมันสงบแล้วจะเรียกฉลาดไม่ได้คำว่า ร, รม <c oughs> คำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่มีเหลือเลยเด็ดเลยมะขุนพิภานไม่ค่อยเอ่ยถึงเลย โอ้ทั้งเรื่องการบ้านการการฝั่งฝนมรดกยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเราจะว่าทั้งนั้นจะนั้นพ่อหน้ากนบแมเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อจะถากดพุททางธรรมสันตังสันตังกระถามหลักใจของเราหลับยึดนามีถุงนนั่นไม่ใช่หลับยึดนั่นจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้าน มันก็เล้ยวไหลเทนั้นความเล้ยวไหแลแบบนั้นจะมีเงินมากก็ไหลก็ไหนนี่คือสาระคุณเลไอยู่เราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้พุทธังธรรมสัณนศาสนาฉาหมีตายตัวอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าก็ทำประสมเป็นหลักหญ่ยิ่งเกิดสิมงใดเล่ น, น, นภายความเกลียด สติพยายามตั้งให้ยากเดินยนต์ไปถึงนสมบัตก็ให้มีสติตลอดไนะงตามคนต่างกําหนดสติของตัวเอ ง, งอย่างน้อยใครเป็นสัมปัสิ ญ, ญาคือความรู้สึกตัวเถอะมัสนใจกับใครใส่บาทรมาผู้หญิงผู้ชายมรู้ตัวอยู่ในนั้นออกมาการรู้ตัวมาตลอดทำการทํางานในพยายามสุกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปัติ ญ, ญา เมื่อร like kind of ู้ตัวโดยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปัจญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกวิสติส่วนกายเป็นม้าสิอม้าปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปัจญะเพราะม้าคือมายาคือม้าแก่กล้าเต็มที่แล้วกําหนดไม่กําหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อยงั้นตลอด ยัไงไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไหมตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรมธรมชาติของตนมาถึงขั้นนี้แล้วทางานเองเรื่องเอาไว้นั่นเพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็นทุกภัยไห้ว่าตาสงสารคือความเกิดตายนี่กว่าเห็นมากที่โย่ความเม็นคุณของความบุญพ้นไปเสียนั่นก่อมากถ้าเท่ากันตอน่ามาถึง ถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตนี้ไม่ได้นเอาจนตายอยู่ด้วยกัน่ะกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆที่แล้วแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างหอาชนะมากขึ้นกวแพ้ชนะมากกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้น แน่ใจแม่กิเลส ย, ยังมีอยู่ก็าตามความแน่ใจของปัญญานี้มันแน่แล้วนั่นแหละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริถ้าแพ้ก็ให้ตายเยอะดีกว่าแต่มาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุยค้นคุยเฉียบเฉียบมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุผลขึ้นมาบุดขาดไปอเมื่อเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่แน่ชัด เนี่ยทันแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการแยกพิเดตที่แรกอย่างทันทาพปงยาาเหมือนอย่างพวกเราๆท่านปฏิบัติํำบากทำรู้ได้ช้าก็ต้องดำเนินต่ำนั้นก็ตัดไปทีละสิ้นสองสิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเปรื่อยปัญญาเข้าใจทุนไหไม่าขาดนะพิเดตขาดไปแล้วไม่ต่ออีกน่เรียกว่าขาด เข้าใจไหนแล้วก็หมดไปหมดไ ป, ดไปเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วดังที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวคาถาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียวอรวิชาเดียวอริชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คืออริชาเม่อจะปริมาณถูกตัดถุกทำลายหมดตัดประพัน์หมดยูดต่อกันนั้นได้ กาวิชาพิจารณาลงไปที่ไหนพอตอนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดมันหายคนเดียวอันนั้นเพิบเดียวกันนั้นมันไม่มีเหลือขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวเพิ่มเดียวเลยหมดท้อมตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตอนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกไปด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเลย ปไเปเลื่แต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ว่านั่นอาจารย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจรอือาจารย์อันนี้มันยังเห็นเป็นจิดเป็นจุดเป็นต่อมได้พอเนี่ยหมดไปแล้วไม่มีสมมติไม่มีเ้วจะเป็นหมายอะไรอย่างร<ฮ><ฮ>อย่างเป็นกานงานสำเร็จระวังงานของเราสาเร็จเริ่มไปตั้งแต่ ท่านเริ่มแรกคอไก่คอกาเกียร์ okay. huh. าลงมานะขาทำตัดแต่จุนี่แหละจะว่าคอไก่คอกาก็ถูกต่ว่าสูงทำสูงก็ด้วได้ไม่ได้หมดน hmm ั hmm. ่นแหละแยกไปฟุิยเฉพาะอไก่กอกาพี่นาอันี้เนี่ยกากระติกมันอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตทำอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่ถูงไม่ต่ำก็เป็นอย่างนั้นยึมเป็นความจริงเสมอกันรจะอะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะพี่นา เช้ารมาแล้วนะขาลันตาตะโจอาการอาาราน ะ, ะออออไร ก, ก, การหนึ่งเข้าใจว่ามันวิ่งตลอดเพื่อถึงโน่นซึ่งฆ่าการแกระต่างถึงเนื้อหนังเอนกระดูกตับไตใส้พงทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันนนะครับมันเข้าใจสติก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดวิเดียวก็ละเอียดตรงไปละเอียดลงไ ป, งไปความ ฝาวุ่นขุ่มโมที่เคยเป็นมานั้นก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดมีทนทวนขนาดนั้นแล้วไม่ถอยจริจิตหมุนตวตขั้นเริ่มแรกเนี่ะเฉพาะ อ, อย่างยิงการม่เกลี่ยเป็นสำคัญมากนะจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกข์เรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตเมืนะ่อพอไอยุ่งเดียนู่นจะวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมันเคยเป็นมาแล้วออกปฏิบัติทีเนี่ยพอจิตมีความอะไรบ้างพอละเอียดล้อมจนกระถองจนงสงสัยเจ้าของนะทั้งๆที่อยู่พ่อแม่โครงการเนนะี่ยจิตเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันสื่อมเอมันแคบ จ๊ม so, ันเร็วที่แทนราคานี่เร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงกับแสดงทางอวัยาะนะมันแสดงผ่าไอจิตรับรู้ว่ามันเรวนี่ทำไมทำไมเบญจมิตรมาปฏิบัติมันจิตใจแต่ก่อนนะเรียนสืออยู่ก็ไม่เห็นมันเห็นมันเฉยยัไม่เห็นเลยเหลือกผู้อยากผู้ยิ่ง่ายนี่เฉยยันวลาเห็นไะสนใจอะไรในจิตในใจถึงจะเมีอยู่มันก็ไม่เห็น มีอะไรที่มากระตุกกระเทจจอเือนภายจิตใจพอาะย่อมราคาตันทันแต่นี้เวลาวางเป็นับบทํายมมันจึงเป็นอย่างนี้ไงทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่สงสัยว่าของ ม, มันอับเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางวิญญาณเลยอับเป็นภายจิตมันจะแยบแยบได้ยินเสียงแยบพอมองเห็นภาพแยบความจริงเรามีสติแต่กว่านเ้าไม่ีสติยันเป็นรมันก็ไม่รู้เหมือนกับหลังหมือนี้มันดำไปหมดอือ เวลามาถุงก็ไม่รู้สิเพราะมันดาไปหมดมีความมีดางมีดาวมีขาวเขาบ้างมันมันรู้เด้เลยมันมัรู้ท่านั้นแะมันมันกําำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันแทรรู้ให้เท่าแะแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มันมันถิ้งรังกาเนี้มันก็เกิดความสงสัยทำไมันเป็นอย่างนี้ที่ยาวเลยมันมันละเอียดมันรวดเล็วเอ๊ะทำไมเป็นเรื่อนทำไมันม่จิ้งรวดเร็วเรื่องนี่หนักอ่ะ ก่อนมม่เคยเป็นอย่างนีสงสัยเจข้ของก็ยิ่งทําให้เล่นความแก่ยิ่งตั้งสติจิต ม, มีความสงบเป็นสมาธิข้อแล้วที่นี้ข้อเย็นเรื่องอะไรมัก็จางไปจางไปนะไปไม่ค่อยคิดไปยุ่งนะคืเราคิดปับ๊บคิดพับมันก็ทันทั น, ท น, ท น, น, น, น, น ก, กันทันกันเลยแม่แก้ไม่ได้ก็ตามพราะคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันที่เดื่องื่นไม่ทันแต่คิดเรื่อง การยี่เหลียมันทันทุกทีทุกทีเลนี่ยพอมันใกล้เข้าไปมัน ท, ำทำํากันที่เรื่องอื่นไม่ทันแต่ที่เรื่องนี้มันทันถึงจะทําการทํางานเาอยู่น้ำหนักก็ต่างเช่นหามเสา อ, า, มาอยู่ที่ถามวร์อยู่บางทีก็มีการต้อนแซงปุตติต้องถามวาหามเสามาอย่างอยู่วัดน้องผึพเพราะพระเนีมีมากก็ต้องจัดทํานั่นนี่ฮะพระธรรมท่านไม่ค่อยจะเอาค่าดมมายุ่งเนี่ยเพราะแม่โครการอ่ะคือมิสไซน์มันกับเราหรืเราเรียนมาจา ก, ก, กท่านก็ถูก นี่จะพักแต่เนยจะทำงาอ่ะทำงานทํบอยาดูเขามาดูเอนะแล้วทมงานนั้นหลัง่มันพึปุงขุยมากมันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีรู้ทันทีถึงเราต้องแนะนําด้่ยนี้ขึ้นประกาศย่าน้แก้ดี่หใจันแก้ได้ดีมากเพราะต้อผ่านไปแล้วนี่จะไม่แก้ดีได้ ละเอีอยด ท, ที่นา่ารำคาญจับลไปตรงจุดไหนจุ ด, ดจิตจ่อยนั่นตั้งตีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกาหนดอเอาจะเพ่งเป็นกระสีนี่อะไรนั่ก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันคอยซุนซ่าตัวเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นมันไปดแล้วพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจี๊ยง คุณทราบไปการพิจารณากายเป็นน้ำพันอว่างมานะถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาลาค้าด้วยเพื่อพิจารณามากๆการมารลาคาา้ามันค่อยครอบงํารืองนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวทุปพระอรูปถังมันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเช่นฤกษะข้างนอกก็ไม่นใช่อะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิด น, น, น่ากองว ควาไม่กังวลมันก็ไม่ควรใจหยุดเพ้ายิ่งสนุกจะนาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่มันเอาจนระทั่มันขาดจากกันเลยนี่ครับอาอปัญญาอธิบายมุ่เพื่อนฟังด้วยกว่านคุณตู้ครับแต่อรา่ยี่มันมันแน่ใจ ก็ยอยากสมมติเอารักพอได้ทีนึ่เป็นแบบสมมติหแบบที่สวยแบบอะไรแบบอย่าน่เเวมทำความนเที่หาว่าแบบแบบไม่เป็นแบบน้ทำอะไรแบบได้ยมากอยู่น ชอบะไรประมาณก็เหมือนเลกานแวุนใดเนใคน้วหลอตื่นเยนละหมดปกติมันก็เ็บแมงปุยเหนื่อยห้ามีอาหารแลให่ใหญ่ดูควารับผิต้องรับตัทอย่างอะไรจะไปเลื่อนยัง เออมีคนอยู่นานๆเลยนะเราเฉเลยทุกคนมีคนพูดคนคนพูดแล้วก็พูดชวนเราทำตัวเลยตัดบทเลยยกอะไรวาก็เคยอยู่มาแล้วรู้เรื่องรู้ราวหมดล้วโล่งๆเหมนสมในี่นะจะอยู่เพื่อะไรวามันดูเื่อเอาอะไรไม่ได้เอาอะไรเลนะคือตี้ยงสบายๆอย่างนี้นี่เรื่องทิน่มเป็นทกบ เพิ่งเลนบบหาข้มดูอะไรมันเต็มือก็แห่้มีอความสมมุติงโลกมันเป็นบ้าอะมันมีจุดจงเลยเหลืองขาวขานพิน้าบัดนะต่กันลุกสตาดิเป็นไโอ้นีม ขันเงินหันทองคำพรินั้นทองหรือเขามนันคืออะไรู้สอสันำคัญนเป็นพิกัดใจฝูงฝนใจเขาเลิกทุกอย่างนั่นแหละสมมุติอะไรขึ้นมามีเครื่องเื่อสารไม่ติดเขาเลิกทุกอย่างทามันเป็นธรรมแล้ว่านดื้รู้นะ เราเดินทำหนูริงมันเทิงได้นั่นนี่ดีใจดีใจเพราะความเมสียใจมดตจบของเสร็จกาขที่มาแบบนี้แล้วเวลานั่งพับทากจากไป<ม> ท, ที่ปุ่นหา ย, ยที่เกลียการอะไรนั่งดูสินะไรเพรความเสืเ่สอความหังอนี้นรู้ตามความคิดอะไรมันก็เทานั้นเอะ่คุณหนุนนายทา่นวานท่านไหนว้าว ต้องจิ้มหาจิ้มั้งอีกเราองขุนเจ้าขุนนายท่านนั้นท่นนี้ที่ท่าโทราปเอกคนที่บนโทรบนเอกจอมพลนั้นว่าว่าอะไนีเด๋คนคนเก่านั่นว่าแรกกว่าได้ยี่งเืเป็นหัวใจมันมันไปแล้วความสุขวั่นน่ต้ยเดยวไม่เข้าใครมันทาหน้าทีมันด่างเลย เขาใจเราเิดว่าผม ม, มีความสุขเลยผมไม่เชื่อมีความสุขถ้สมมติว่าใหญ่โตถ้ไาไหนมก็ยิมีความทุกข์จนรู้จักนจับตางมคิดหนือมันทังเดียวสมมิมันปล่อยทตัวเองก็จําเดียวมันก็หมดไมาานน่ต้องพูดถึงอีกนาะปล่อยตัวเองจิปล่อยจิไม่ติดจิด เพราะที่เรื่องมันต้องคนที่เรื่อ่าจิตแล้วจะอะไรนะพี่นะเพื่อพาพิกาเพื่อพาใหหลวงเรื่องไมมีที่ไหนเยอะเพราะหลวงนั่งตื่นมันากรวเท่าสารนี่วะท่านหมดแล้วนั่นโอ้ยเห็นบาคนมันจะดีใจเลยเอ๊อยหลงหลูเป็นกองเงินจริงก็สมถูกทานนี่ยเดี๋ยมก็เป็นถูกท่านก็ทุกท่าน หรือกระดาษเป็นภาพเป็นตับคปนตับนกระดาเอี่ต่ก่ต่างเราพูดในวงเราพูดนอกเขาจะอะไรบ้าเขาจะเป็นบ้านเนาเต็ได้วเป็นทุกนั่นมีเรมีอะอารเรียนศิลป์การลู่รู่นั่นองลู่ในหักรร มัยย่ว่อยราธาติมั่วใจม่เอื่อเข้าใเาเเจเรื่องมั่วใจตอนเรามาหลอกมือหลุดมกระู๊งนั่นคอ้าวทันทอย่างนั้นเอาข้าวทนทอย่างนั้นเมื่อไรจะมาหลอกปิดมือหลนดบ้างขึ้นชื่อว่าสมมติว่าขั้นไหนทีน่มือะมีอะไรแล้วหยุดใส่ช้าเจอสมมติอะไรอย่างนีง้คิ นี่นะไมีอเน่ยนะแต่อย่ามงเห็นเขาเขาชอบหลงมาทุกท่านจินใจเาทุกปริมาณไดทุกเ่องย มันเป็นคนในโลกถ่าเ่าเป็นโลกทั้งสองเดียวมันเป็นคนในโลกทำนเรื่องันโลกไม่มีอะไรเที่ยวมีเทียวอัเป็นคนอนโลกตดอะไรไม่รู้ต่าันหลังอะรติดตรงนี้มามาติยติดอะไรที่ยาใหญ่ใหญ่ติปลานา รงานาผมถึงเงินการค่าสัขานี้จักระดาษอายนี้จับมับาดทำานมันหยาบได้ค่าค่าเป็นคนนอนเปนค่าเนหยาบได้เป็ดีใจเรื่องการด้เออะไี่อย่านนไมด้ันนไม่ได้เลยยมันเป็นไม่ได้เลย แสดงว่ามีงานต่อไม่เป็นได้เลยทำไม่ลดปากรตายที่มึงบอกมันไม่ยอมทำทำไม่ลงหรือว่าคนนั้นที่งานย้อนหลังไปมันเห็นว่ามันมีตัวอย่า่มันจะทำได้นี่มันจะทได้ตั้งทีหลังก็ม่เลืป็นคนโอนหน้าสามงานที่แทุกๆเดนโชครักคนผีดเรื่องนั พอเป็นความดือดร้อนเจ็บเขาเจ็บสมัขาเจ็บใจเขาเขาจะปูพลเมืองธรรมดาแะการดกที่เราคิดขึ้นมาแต่ก่อนไม่ทำหน้าเลยายสบาดยระดัทางนิ้วกะปูไประดับทางนกเพล้งเรก็เหียมันก็แตกแล้วผ่านไปในความพนันนี่ตดเอนงูเตือก็ัวนั้นห่างหมด กัวกัวแต่ไม่ถอเงินเงินข้าเนี่ยอืมนี่ไม่ใช่อ๋อยเลยเนี่อ๋อยเลยนะอืมคิดถึงเงินก็ได้เงินได้เจ้าภาพใส่ดอกเบี้ยต้นก็เห็นที่เนี่ยถ้าไม่ อ๋อที่อ่อนเป็นอ่อนเลือกช่มออเออไม่หายหรอ้ยตก็อยอะเลยหาย